เรื่องสุพัทธะปริภาชกพระสะสดาทรงปราบโรปริภาชกชื่อสุพัทธะได้ยินว่าในอดีตการสุพัทธะนี้เมื่อน้องชายให้ทานอันเลิศถึง9ก้าครั้งจากเข้ากล้าในนาครั้งหนึ่งแต่ตนเองไม่ปรารถนาแต่ได้ให้ในการสุดท้ายข้อนี้ผลของวิบากุศ ล, ลกรรมศรัทธาย่อมเกิดช้า เป็นไปตามกรรมที่ทำด้วยศรัทธาที่เกิดช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่เกิดเลยดังนั้นเขาจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระสสดาในปฐมการและมัจฉิมการแต่ในปัจฉิมการใกล้ปรินิพานแห่งพระสสดาคิดว่าจะถามความสงสัยของตนในปัญหาสามข้อถ้าปรินิพานเสียก่อนแล้วจะไม่ได้ถามจึงเข้าไปเฝ้าถูกพระ อ, อ น, นุ์ห้าม แต่พระศาสดาตรัสเรียกให้เข้าไปเฝ้าเขาทูลถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชื่อว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือหนอชื่อว่าสมณะภายนอกแต่ศาสนานี้มีอยู่หรือสังคารทั้งหลายชื่อว่าเที่ยงมีอยู่หรือไม่ลำดับนั้น พระศ s ส d a เมื่อจะตรัสบอกความไม่มีแห่งรอยเท้าในอากาศเป็นต้นเหล่านั้นแก่เขาจึงทรงสแสดงธรรมด้วยพระคาถาว่ารอยเท้าในอากาศนั่นเทียวไม่มีสมณะภายนอกไม่มีสังขารทั้งหลายชื่อว่าเที่ยงไม่มีกิเลสชาติทั้งหลายไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายหมูสัตว์เป็นผู้ยินดียิ่งในธรรมเครื่องเนื่อช้า พระพุทธเจ้าทั้งหลายหาทำเครื่องเนื่นช้ามิได้อธิบายคําว่าทำคือธรรมะเครื่องเนื่นช้านั้นได้แก่ตันหาเป็นต้นสังขารทั้งหลายชื่อว่าขันห้าเหล่านั้นแม้ขันหนึ่งชื่อว่าเที่ยงไม่มีชนทั้งหลายถือว่าสังขารเที่ยงขันเที่ยง ก็เพราะมีบรรดากิเลสชาติเครื่องวันไหวคือตัณหาทิฏฐิมานะซึ่งอันมิได้มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในการจบเทสนาสุภัททะปริภาชกตั้งอยู่ในอนาคามิผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหละหมยเหตุ ความยึดถือว่าขันเที่ยงคืออุปทานขันนั้นเป็นกิเลสชาติเครื่องหวันไหวเป็นธรรมะเครื่องเนื่นช้ามีตัญหาเป็นต้นพึงสาะสแสวงไปหาเหตุคือตัวสมุทัยของตัญหาได้แก่เวทนาความสุขความยินดีพอใจเกิดมาจากผัสสะทรงตรัสว่าคุมผัสสะได้คุมโลกได้ และถัดดับเวทนาได้ตัณหาก็ดับเพราะถัดดับเวทนาได้ความเกิดใหม่ไม่มีพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านคุมผัสสะได้ดับเวทนาได้ท่านไม่เกิดอีกแล้วโดยสรุปก็คือตัดความอยากคือตัณหาได้ไปนิพพาน